คือการปฏิบัตินะการปฏิบัติทำรรเนี่ยเราอย่าไปวาดภาพให้มันยุ่งยากธรรมะไม่ใช่ของลึกลับพวกเราชอบคิดว่าธรรมะคืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยลึกลับรู้แต่ว่ามันเป็นของดีเราคิดแต่ว่ามันอยู่ไกลๆเราต้องทําอีกนานๆถึงจะเจอเราชอบคิดว่าธรรมะอยู่ที่วัดธรรมะอยู่ที่พระหรือธรรมะอยู่ตอนเท่าคอร์สนะแท้จริงธรรมะไม่ได้พิคนพิการยากไรขนาด น, นั้นหรอก ธรรมะอยู่กับตัวเรามาตั้งแต่เกิดนะถ้าพวกเราอยากได้ธรรมะเนี่ยให้ย้อนมาเรียนที่ตัวธรรมะจริงๆอะไรเป็นตัวธรรมะตัวจริงนะกายนี้แหละเป็นธรรมะเรียกว่ารูปประธรรมชื่อมันบอกแล้วว่ามันเป็นธรรมะเรียกว่ารูปประธรรมใจของเรานี่แหละเป็นธรรมะเรียกว่านามธรรมานะอย่าไปสแสวงหาธรรมะที่อื่นหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอนะจะมาฟังอาตมาพูดกี่วันก็ไม่รู้เรื่องหรอก รธรรมะเรียนไม่ได้ด้วยการฟังเรียนไม่ได้ด้วยการอ่านเรียนไม่ได้ด้วยการคิดคิดเอาทางเดียวที่จะเรียนธรรมะได้เนี่ยนะคือต้องเรียนจากครูของเราจริงๆครูที่จะสอนธรรมะเราได้มีสองคนเท่านั้นคือรูปกับนามหรือกายกับใจเรานี่ยงั้นหน้าที่ของเราเนี่ยให้คอยรู้ลงที่กายคอยรู้ลงที่ใจเนืองๆกายและใจจะสอนธรรมะของจริงให้เราดูคนส่วนใหญ่เที่ยวหาธรรมะภายนอกมีแต่หลงออกไปภายนอก ละเลยที่จะเรียนรู้เรื่องของตัวเองงั้นถามว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรพระพุทธเจ้าสอนให้น้อมเข้ามานะโอปัญยิโกน้อมกลับเข้ามามาเรียนเรื่องของตัวเราเองเรียนจนเรารู้ความจริงว่าความทุกข์มันเกิดได้ยังไงทํำยังไงถึงจะไม่ทุกข์งั้นธรรมะในตาําราอภิธรรมจะสอนบอกต้องรู้รูปนามต้องรู้กายรู้ใจวิธีรู้ทํำยังไงท่านแรกเลยต้องรู้สึกตัวขึ้นมาก่อน อย่าใจลอยศัตรูของการที่จะรู้ใจรู้กายหมายเลขึหนึ่งคือเผลอไปใจลอยไปใจของเราชอบหนีไปเที่ยวหนีทั้งวันเห็นคนเดินมาไปดูเขาใจวิ่งไปอยู่ที่เขาลืมตัวเองได้ยินใครเขาคุยกันเช่นหัวเมียเขาคุยกันข้างบ้านอยากฟังตั้งใจฟังเขาลืมตัวเองนะไปกินข้าวอร่อย เ, เพลิดเพลินอร่อยเพลิดเพลินข น, นา น, นั้นก็ลืมตัวเองอีกแล้ว นะมองเห็นรูปก็ลืมตัวเองนะได้ยินเสียงก็ลืมตัวเองได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสก็ลืมตัวเองนะได้กลิ่นเช่นเดินเดินอยู่สมมติเดินอยู่ในปัดตป่าในปัดนะได้กลิ่นอะไรเน่าเน่าเนี่ยใจมันจะวักแวกวกแกนะนึกว่าผีมาละนะในขณะที่วักแวกสนใจกลิ่นนะจะลืมตัวเองนั้นะเราจะลืมตัวเองทั้งวัน โดยเฉพาะการลืมตัวเองที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดเนี่ยคือการลืมตัวเองทางใจใจของเราจะหลงคิดทั้งวันคิดตั้งแต่ตื่นคิดจนตื่นตั้งจนถึงหลับหลับแล้วยังไม่เลิกคิดคิดตอนที่หลับไปเรียกว่าฝันเพราะฉะนั้นใจเราจะคิดทั้งวันทั้งคืนไม่มีหยุดพักหรอกโอกาสที่ใจหยุดคิดนี่มีน้อยเต็มทีเวลาลงผวังนิดเดียวนอกั้นใจจะคิดคิดคิดทั้งวัน พวกเราสังเกตให้ดีในขณะที่พวกเราคิดเนี่ยเราจะรู้เรื่องที่เราคิดแต่เราลืมกายลืมใจตัวเองเราลืมตัวคุณหมอรู้สึกไหมขณะ น, นี้นั่งอยู่ก็ไม่รู้ใช่จิตใจเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศ ล, ลไม่รู้หมดเลยรู้แต่เรื่องที่คิดอันนี้เรียกว่าหลงทางใจนะเพราะฉะนั้นหลงนี่มีหกหลงหนะลงไปทางตาหลงไปทางหูหลงไปทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจ หลวงปู่ดูเรียกการหลงไปทั้งหมดเลยเนี่ว่ะการส่งจิตออกนอกจิตของเราจะออกไปรู้สิ่งภายนอกไปรู้รูปภายนอกรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสรู้เรื่องราวที่คิดแต่ลืมกายลืมใจตัวเองคุณหมอรู้สึกไหมลืมกายลืมใจตัวเองอีกแล้วแล้วก็ตั้งคิดสังเกตไหมฟังเราคิดฟังเราคิดคุณหมอดูออกใช่ไหมขนาดที่ฟังนะไม่ได้คิด พอฟังเสร็จแล้วมาคิดคขณะที่คิดเรารู้เรื่องที่เราคิดคนะแต่เราจะไม่รู้กายรู้ใจ ค, คุณหมอดูออกใช่ไหมนี่วิธีปฏิบัติถ้าคุณหมอดูตรงนี้ออกนะครับปฏิบัติคุณหมอจะเหลือ น, นิดเดียวนะจิตคุณหมอไปฟังคุณหมอรู้ว่าจิตกาลังไปฟังจิตแอบไปคิดสลับเหมือนสวิต ช, ชิ่งเลยนะสลับปั๊บไปคิดรู้ทันว่าเขาคิดคถ้าเมื่อไหร่เรารู้ทันว่าจิตคิดนะจิตจะหลุดออกจากโลกของความคิดคจิตจะตื่นขึ้นในฉับพลันนั่นเอง เคยได้ยินชื่อหลวงพ่อเทียนรึมั้ย ห, หลวงพ่อเตียนนะหลวงพ่อเตียนก็เป็นครูบาอาจารย์ชั้นเลิศอีกโงค์หลวงพ่อเตียนสอนบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดเนี่ยได้ต้นทางการปฏิบัติรู้ว่าจิตคิดนะไม่ใช่รู้เรื่องที่จิตคิดไม่เหมือนกันเรื่องที่จิตคิดในใครใครก็รู้หมาแมวมันคิดมันก็รู้นะว่ามันคิดเรื่องอะไรมันรู้เรื่องราแต่ว่าเราเนี่ยเวลาเราไปคิดเนี่ยเรารู้เรื่องที่เราคิดปั๊บเราจะลืมกายลืมใจ แต่ถ้าคนไหนจิตแอบไปคิดรู้ทันเมื่อคิดปุ๊บก็จะตื่นขึ้นในฉับพลันเลยภาวะแห่งความรู้สึกตัวที่แท้จริงนะั่นจะตื่นขึ้นมาคนในโลกนี้ไม่รู้สึกตัวอย่างแท้จริงหรอกคนในโลกนี้ฝันตลอดเวลาตื่นแต่ตัวแต่ใจเนี่ยฝันฝันฝันฝันไปไปอยู่ในโลกของความคิดใช่ไหมคุณผู้หญิงนั่นอะดูออกหรือยังเห็นไหมเนี่ยมันหนีไปอย่างเนี้ยหนีไปอยู่ในโลกของความคิดนะคุณผู้หญิงที่ใส่แว่นเนี่ยมีผ้าพันคอ หนีไปคิดแล้วรู้ไหมนึกออกใช่ไหมขณะนั้นเราหนีไปอยู่ในความคิดเรารู้เรื่องราวที่เราคิดนะเราลืมกายลืมใจวนะิปัสสนาคือการที่เราคอยรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนะรู้จนเห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเรานะแล้วปล่อยวางความยึดถือความทุกข์เกิดตรงที่ปล่อยวางความยึดถือไดนะ้แต่ว่าถ้าเมื่อไรเราลืมตัวเอง เราหลงไปดูหลงไปฟังโดยเฉพาะหลงไปคิดนี่หลงทั้งวันเลยขณะที่หลงไปคิดเราก็ลืมตัวเราเองหลงไปดูเราก็ลืมตัวเองเนี่ยหลงละลืมตัวเองรู้สึกไหมแล้วยังไม่รู้สึกเลยตอนเนี้ยยังคิดไม่เลิอ ก, กอ้ามันรู้ได้แป๊บเดียวแล้วไม่คิดยาวรู้สึกไหมอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเคยฟังอ่ะพี่ธรรมนะจะรู้เลยกุศลเนี่ยเกิดนิดเดียวอ่ะกุศลเกิดมาหาศาลเลย นั้นจิตส่วนใหญ่ของพวกเราจะเป็นอกุศลจิตนะกระทั่งคนที่เข้าวัดว่จิตส่วนใหญ่อยอะประกอบด้วยโมหะอยู่หนึ่งๆลหลงหลงคืออะไรหลงก็คือไม่สามารถจะรู้สภาวธรรมตรงความเป็นจริงเรียกว่าหลงทั้งหมดเลยนะคุณที่ใส่แว่นผ้าคาดผ้าผ่ า, านคอลืมไปอีกแล้วรู้สึกไหมนึกออกไหมแว็บมันแว็บแวบถูกต้องนะอดูหน้าตาสินะ คนไหนเนี่ยนะเกิดความรู้สึกตัวในวัดนั้นเนี่ยนะความผ่องใสทั้งกายทั้งใจจะเกิดทันทีเลยนะเกิดได้ทันทีถ้าคนไหนมองออกเนี่ยนะเขามองพระเขารู้เลยว่าคนไหนรู้สึกคนไหนหลงนะง่ายมากหนะลงอีกแล้วทราบไหม <c oughs> ดูออกอะไรใช่ไหมดีเรียนได้เร็วมากเลยในคุณหมอคิดสนุกไหมเห็นไหมขนาดที่เราคิดเรารู้เรื่องที่เราคิด เราลืมกายลืมใจเนี่ยคือตัวนี้คือความลับของสังสารวัตรแนะสังสารวัตรนี่นะเอาพวกเราเป็นทาสผู้ยี่ผู้ยำเราได้ตลอดหลายภพหลายชาติเพราะเราไม่เคยเห็น น, นั่นเองเราไม่เคยตื่นขึ้นมาเราหลับเราฝันเราตกเป็นทาส ต, ตลอดเวลาเราไม่ตื่นนะคุณหมอหนีไปอีกแล้วทราบไหมนะใจเราจะหนีไปตลอดเวลานะเราจะหลงเราจะลืมตัวเราเอง เมื่อไร่ลืมกายเมื่อไร่ลืมใจนะไม่รู้กายไม่รู้ใจเมื่อนั้นไม่ได้ปฏิบัติธรรมนะั้นธรรมะไม่ได้อยู่ที่วัดนะเขาวัดแต่ใจลอยไม่ได้ปฏิบัติธรรมเดินจงกรมอยู่ใจลอยไปเรื่อยๆไม่ได้ปฏิบัติธรรมกาลังเดินหลงเดินสเป ส, สปะอยูนะ่ถึงจะเดินท่าสวยแค่ไหนนะจิตใจมันก็หลงนั่นแหละนะใช้ไม่ได้ฉนะนั้นตัวที่สําคัญมากเลยคือความรู้สึกตัว พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ดูก่อนที่สูททั้งหลายให้เธอมีความรู้สึกตัวในการยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดคิดเห็นไหมคุณที่มีผ้าพันคอนอะลืมไปอีกแล้วนึกออกใช่ไหมออดีละรู้ไปอย่างนั้นลนะนึกออกแล้วใช่ไหมวันหนึ่งวันหนึ่งหลงเยอะไม่รู้สึกตัวหรอกในโลกไม่มีคนรู้สึกตัวนะหลวงพ่อไม่ได้แกล้งว่านะถ้าใครภาวนาเรียนอย่างหลวงพ่อรู้เรื่องแล้วจะรู้เลยว่า ตลอดชีวิตที่เราผ่านมาเนี่ยเราไม่เคยรู้สึกตัวหรอกเราหลงตลอดเวลาเลยโดยเฉพาะหลงคิดมากที่สุดนหลงดูหลงฟังนี่รองลงมาหลงลิ้มรถอะไรนี่ก็น้อยหน่อยไม่ได้กินอะไรก็ไม่ค่อยสนใจเรื่องรถเมื่อไร่ลืมตัวเองเมื่อนั้นไม่ได้ปฏิบัตินั่นศัตรูหมายเลขหนึ่งของผู้ปฏิบัติก็คือความไม่รู้สึกตัวความลืมตัวเห็นไหมคุณที่ใส่แว่นตาไปอีกแล้วโ <c oughs> ยมเนี่ย ดูออกหยังใช้ได้เอาคุณติ๋มรู้สึกเอาหนุม่มนี่รู้สึกไว้หนีไปเที่ยวแล้วดูออกไหมมันหลงไปไม่ได้มีอะไรลึกลับเลยนะเรื่องง่ายๆนะให้เราหัดสังเกตจิตแจ้งงเราขณะที่นั่งฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยเดี๋ยวก็มองหน้าหลวงพ่อนิดนึงเดี๋ยวฟังหลวงพ่อพูดหน่อยนึงแล้วก็หนีไปคิด ฟังแล้วก็คิดฟังแล้วก็คิดสลับไปเรื่อยๆให้คอยรู้ทันตรงนี้แหละนะง่ายที่สุดเลยนะนี้ไปคิดอีกแล้วคุณหมอทราบไหมก็ผ ม, ผมคิดว่าจะไปใช้ไม่เอาไม่เอานะอย่าจํา ไ, ไ, ไ, ไม่จําไม่จํา ค, <ง S 1> ค, คุณหมออย่าเรียน <ไป S 1> ด้วยการ <ไป S 1> จํานะ ค, คุณหมอฟังแล้วก็หัดรู้ใจใสนะ่ถ้าคุณหมอเห็นใจตัวเองนะเดี๋ยวผู้วิ่งไปดูเดี๋ยววิ่งไปฟังเดี๋ยววิ่งไปคิดถ้าคุณหมอเห็นแค่นี้นะคุณหมอปฏิบัติได้แล้วออกไปกลับบ้านไปหรือไปอยู่โรงพยาบาลก็ทําได้ อ่คะนะคือถ้าเมื่อไหร่เราเห็นสภาวะของเราแล้วเนี่ยนะเราปฏิบัติได้จริงๆนะคุณหมอไม่ต้องเรียนด้วยการฟังให้รู้เรื่องนะเพราะฉะนั้นคุณหมอจะสนใจว่าฟังแล้วจะต้องคิดใช่ไหมแล้วอยากรู้เรื่องที่คนะิดเนี่ยคุณหมอจะได้เรียนเชิงปริยัติเท่านั้น เ, นเหมือนฟังเลคเชอร์นะเราลองฟังอีกแบบหนึง่ ง, งฟังแล้วก็คอยรู้ทัในใจของเราไปเรื่อยๆนะชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงปฏิบัติไม่ใช่ชั่วโมงฟังทฤษฎี งั้นถ้าคุณหมอฟังอาตมาพูดมองหน้าอาตมาปุ๊บใจไหลมาที่อาตมารู้ทันว่าจิตไหลมาที่อาตมาแล้วฟังอาตมาพูดตั้งใจฟังอยู่รู้ทันว่าตั้งใจฟังเสร็จแล้วจิตมันจะสวิชไปคิดรู้ทันว่ามันคิดรับรองว่าฟังอาตมาไม่รู้เรื่องแต่เราจะได้ธรรมะของตัวเองธรรมะเรียนไม่ได้ด้วยการฟังธรรมะเรียนไม่ได้ด้วยการคิดอย่างมาฟังอาตมาพูดอันนี้มันธรรมะเฉพาะตัวของอาตมา ธรรมะเป็นเรื่องเฉพาะตัวจริงๆต้องรู้ด้วยตัวเองนะวิธีรู้ด้วยตัวเองโอปะนาญิโกน้อมเข้ามารู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจเนืองเนืองในที่สุดปัจจตังเวทิัาโพวิญญูหิวินยูชนรู้ด้วยตัวเองเราไม่เรียนธรรมะด้วยกันฟังหรอกเราฟังเพื่อให้รู้วิธีทำเท่านั้นวิธีทำที่อาจารมากําลังบอกตอนนี้ก็คือจิตไปฟังรู้ว่าฟังจิตติคิดรู้ว่าคิดลําบากหน่อยนะมันสืนความรู้สึก เพราตลอดชีวิตที่ผ่านมาเราเรียนด้วยการคิดนะเวลาฟังเราก็ต้องมาคิดใช่ไหมอ่านหนังสือเราก็ต้องมาคิดนี่หรือเวลาเราวิเคราะห์ใช้เหตุใช้ผลนี่ก็ใช้การคิดเอาอีกนะเรากําลังจะเปลี่ยนวิธีเรียนจากการคิดเอามาเป็นการเข้าไปรู้สึกเอาเข้าไปประจักษ์เอานะเข้าไปเห็นสภาวะของจริงเอานะเราจะไม่คิดนําเลยเนะี่ยใจคุณหมอนีแวบๆบแบบดูออกไหมเนยะให้คุณหมอรู้แค่นี้แหละนะเขาจะแสดงไตรลักษณ์ให้ดู เขาแสดงความไม่เที่ยงเดี๋ยวสายเดี๋ยวสายเดี๋ยวทรายนะเดี๋ยวสุกเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายก็จะสอนธรรมะเราเนี่ยธรรมะของจริงไตรลักษณ์เกิดขึ้นที่จิตที่ใจนี่เองเห็นไหมคุณหมอหนี้วิคิดแล้วทราบไหมเนี่ยอย่างนี้นะคุณหมอเรียนอย่างนี้แล้วคุณหมอจะเข้าใจสิ่งที่อาตมาพูดแต่ถ้าคุณหมอพยายามฟังแล้วก็คิดหาเหตุหาผลแล้วพยายามจดจําแล้วจะเอาไปลองฝึกนี่นะไม่สําเร็จหรอกนั่นไปใช่กับ ถ้า ง, งา น, นต้องอย่างงี้น ะ, ะนคุณหม อ, หอเวลาที่เราทํางานที่ใช้ความคิดเนี่ยไม่ใช่เวลาจเจริญสติออนะเพราะว่าการจิตเนี่ยมีธรรมชาติรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวนะเมื่อเราไปตรวจคนไข้เราต้องรู้ที่คนไข้ต้องคิดต้องใช้เหตุผลต้องวิเคราะห์นะไม่ใช่เวลาจเจริญสติตแต่ถ้าเจอคนไขจ้จู้จี้นะมันเถียงเราบอกให้มันทําอย่างนี้มิจจะทําอย่างนี้นะแนะนําอะไรก็ไม่เชื่อนะ เราบอกว่าเป็นวัดมันบอกไม่ใช่มันจะเป็นหวัดโนกอะไรเงี้ยนะนะใจเรามโมโหแะ้วนะใจมโมโหปุ๊บนักปฏิบัติก็คือเห็นควา ม, มโมโหที่ฝุดขึ้นมานะความความโมโหเกิดขึ้นมาเราเห็นนะมันก็จะสลายตัวไปแล้วก็จดจ่อรักษาคนไข้ขี้โม้ที่คุยตัวเนี้ยด้วนะยใจที่เป็นกลางต่อไปไม่เกลียดมันนะไม่แกล้งขีดยาให้หนักกว่าเกา่ามันไส้มันเนื้พยักหน้าพยาบาลเอาเข็มให้ใหญ่ๆหญนะ เข้าใจไหมเพราะงั้นเวลาที่ทํางานที่ใช้ความคิดไม่ใช่เวลาเจริญสติเพราะเขาไม่ได้จ้างเราไปเจริญสติเขาจ้างเราทํางานนะมีลูกศิษย์สมาคนหนึ่งพวกเก่งคอมพิวเตอร์คนไหนจําไม่ได้แล้วพวกข้างหลังหรือเป่าเคยมาคุยบอกว่าเขาจ้างผมเขียนซอฟต์แวร์นิ้วผมสัมผัสคีย์บอร์ด keyboard, จะสักว่ารู้เดี๋ยวเขาก็ไล่ออกเนะพราะมันเขียนไม่ได้มันไม่คิดไม่คิดแต่รู้สึกเอา แยกส่วนกันนะแยกส่วนเวลาที่ไม่มีธุราะจะต้องคิดนะ่ะหัดรู้สึกไปเรื่อยหัดรู้เท่าทันจิตใจของเราไปถ้าเรารู้ไม่เท่าทันจิตใจของเราเนี่ยจิตใจจะวิ่งไปหาความทุกข์มาใส่ตัวเองเอา้าวคณที่มีรูกประคำหลายหลายสีอันใหญ่ๆนะั่นนะใจไปไหนเมื่อกี้นี้นึกออกไหมมันหลงไปนี่ใช้ได้หไหมเรียนกับหลวงพ่อนั้ ง, ง่ายไม่ต้องพูดเลย เดี๋ยวหลวงพ่อพูดแทนนะไหนเหยื่อลายต่อไปนะเวลาหลวงพ่อกวาดสายตานะั้นจะเกิดความเกรงเป็นแถบๆนะเอาคุณวุฒิคุณวุฒิเป็นไงนปกติปกติแต่ว่ามีศีลไม่ผิดศีลเลยเวลากิเลสเกิดเห็นไวไหวขึ้นไหมดีแล้ะคุณบุญเลิศเป็นไง อะไรนะ <im itch> สังเกตไหมใจเราตอนเนี้ยตอนเนี้ยขณะนี้ยเป็นยังไงรู้ตัวไหมขณะนี้เบิกบานให้รู้ว่าเบิกบานนะสังเกตไหมเบิกบานแล้วเผลอเพลินเผลอเพลินเนี่ยมีชื่อเพราะเพราะนะเรียกว่านันทิราคะความเผลอเพลินเราฟังธรรมะแล้วใจเรามีความสุขนะเราเผลอเพลินนะวันนี้หลวงพ่อเทศสนุกจังเนี่ยวันนี้ต้องเทศสนุกเพราะบรรยากาศมันชวนให้หลับ นะเทศเหนยเนอนยเหนียวหลับหมดห้องแล้วจะมาคุยอวดบอกฟังรับสงบนะี่แท้ฟังแล้วหลับคุณบุญเลิศรู้สึกไหมใจเราลืมตัวเราเองเหลือไปแวบคุณุเลิศรู้ทังเลยเนี่ยไหลแวบรู้แวบ ร, ร, ว ร, รู้นะคุณวุฒิใช้ได้แล้วละ่ะอา้าบุญทวีว่าไงรู้สึกไหมบรรยากาศเหมือนห้องเรียน เวลาเรียนนะอาจารย์กวาดตาเนี่นะคนไหนทำการบ้านมาดีนะยิ้มสู้น <c oughs> <c oughs> คนไหนไม่ค่อยทำแล้วก็หลบหลังเพื่อนอาวุทวีว่างไงไอะไรนะเวทน า, วนาทางกายหรือทางใจใทำไมไม่ทนันเราเวทนาทางกายอยู่ยาว จิตไม่นกลัวให้รู้ว่ากลัวนะคือเวทนานุปัสนาเนี่ยไม่ใช่กรรมฐานเล่นๆ เ, เวทนานุปัสนาเป็นกรรมฐานที่เล่นยากเหมาะกับคนที่มีฌานถ้าจิตไม่ตั้งมั่นพอรู้กายและเวทนาได้ไม่ดีกายยังรู้ง่ายเวทนารู้ยากเพราละเอียดลึกซึ้งเวทนาเป็นกรรมฐานที่เหมาะกับผู้มีปัญญากลากายและจิตเนี่ย เป็นกรรมฐานพื้นพื้นเหมาะกับคนทั่วทั่วไปนะเวทนาและธรรมเป็นกรรมฐานที่เหมาะกับพวกมีปัญญาแก่กล้านะกายและเวทนาเป็นกรรมฐานที่ต้องอิงอาศัยการทำสมถะนะจิตและธรรมเป็นกรรมฐานที่ดูเข้าไปได้เลยนะนั้นทำไมบุญทวีจะดูเวทนาล่ ะ, ละอืม คืองี้ต้องหัดตั้งแต่ยังไม่ใกล้ตายนะขั้นแรกเลยเหมือนจะหัดว่ายน้ำต้องหัดว่ายน้ําให้เป็นก่อนจะตกน้ํานะเป็นพวกเราต้องหัดกรรมฐานก่อนจะใกล้ตายนี้เวลาบุญทวีจะหัดเวทนานะไปนั่งเลยนั่งขัดสมาธิไปนะนั่งขัดสมาธิไปสักพักหนึ่งความเจ็บมันจะเกิดขึ้นนะให้สังเกตให้ดีความเจ็บสักขาเนี่ยเป็นคนละส่วนกันดูออกไหมตรงนี้ ถ้ากำลังจิตไม่ตั้งมั่นพอจะแยกไม่ออกถ้าจิตมีสมาธิตั้งมั่นพอจะเห็นเลยขาก็ส่วนหนึ่งความเจ็บก็ส่วนหนึ่งแล้วดูต่อไปอีกจะเห็นเลยว่าขาก็เป็นของที่จิตไปรู้เข้าความเจ็บก็เป็นของที่จิตไปรู้เข้าจิตก็เป็นธรรมชาติอีกส่วนหนึ่งเฝ้ารู้เฝ้าดูต่อไปอีกขณะที่เวทนารุนแรงขึ้นมานั้นจิตเกิดความกระสับกระส่าย เข้ารู้ลงไปให้เท่าทันความกระสับกระส่ายก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งสังหากจากจิตจิตไปรู้ความกระสับกระส่ายแต่จิตไม่เคยกระสับกระส่ายเนี่ยบุญทวีต้องค่อยๆแยกขันห้าออกจากกันรูปคือร่างกายขาเรานี่ส่วนหนึ่งความปวดความเมื่อยที่แทรกอยู่ในขาเนี่ส่วนหนึ่งขาไม่เคยปวดเพราะขาเป็นวัตถุความปวดเป็นสิ่งที่แอบมาอยู่ในขา พอเป็นปวดมากๆความกระสับกระสายเกิดขึ้นความกระสับกระสายไม่ใช่ขาไม่ใช่ความปวดไม่ใช่จิตเป็นธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งจิตอยู่ต่างหากดังนั้นความกระสับกระสายจะไม่ครอบงําจิตในสุดจะเห็นเลยว่ากายก็ไม่ได้ปวดจิตก็ไม่ได้ปวดต่างคนต่างอยู่เนี่ยบุญทวีพร้อมจะตายแล้วต้องซ้อมต้องซ้อมนะ ว, วิธีซ้อมที่เฉียบขาดมากเลย นั่งขัดสมาธิเพชรนั่งไปแต่เดียวๆ เ, เท่านั้นอะ่ะบางคนเอาขาเสียบเข้าไปเอาออกไม่ได้เลยมีหน้าคนนั่งนั่งโต้ลุ่งเลยขัดเพชรไม่ใช่ะลรเพื่อนไม่ได้มาแงให้แงไม่ออกใครดูนะถ้าจะเล่นเวทนาเวทนาเล่นยากกายเล่นง่ายกว่าเวทนา เวทนาเนี่ยกระจายขันออกมาเยอะเลยเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของคนที่มีปัญญากล้าอย่างพระสารีบุตรเนี่ยฟังธรรมเรื่องเวทนาดูดูดูดตามไปพระสารีบุตรบรรลุขึ้นมาเลยถ้าเราปัญญาเรายังไม่กล้าเราก็รู้กายรู้กายง่ายกว่ารู้เวทนาเราจะเห็นเลยว่าไอ้ที่กำลังยืนเดินนั่งนอนอยู่เนี่ยเป็นธรรมชาติอันหนึ่ง ใจที่ไปรู้การยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเป็นอีกการแยกแค่สองงานเองหัดแยกแค่สองงานต่อไปพอแยกชํานาญเนี่ยมันจะเข้าเวทนาเข้าธรรมเข้าจิตเองแต่ว่าการจะรู้กายได้ดีต้องทําสมถะเหมือนกันนั้นคนไหนเล่นกายอย่าทิ้งสมถะถ้าทิ้งสมถะแทนที่จะรู้กายจะไปหลงเพ่งกายแทนใจมันจะถล่าเข้าไปในกายใจไม่ตั้งมั่นพอ ถ้าใจตั้งมั่นเห็นเลยกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งเนะคยเป็นใช่มที่ไปเดิ น, เ ป, นเป็นอยู่คนเดียวมากคนอื่นเขาไม่เห็นหานะยากยากต้องเคยทำเคยได้เนี้ยขึ้นมาง่ายคือคนที่จะรู้กายและเวทนาเนี่ยเหมาะกับพวกปัญหาจริตนะกายและเวทนาเหมาะกับพวกปัญหาจริตพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามพวกนี้เหมาะที่จะรู้กาย เวทนาถ้าพวกคิดมากเหมาะกับการดูจิตนะจิตนี่ของดูง่ายนะถ้าจะเคลื่อนขึ้นไปถึงธรรมานุปัสสนาทำยากและละเอียดยิบเลยนะวิธีดูจิตเนี่ยไม่ใช่เรื่องลึกลับนะเด็กๆก็ดูได้คุณหมอแต่มาเคยถามว่าอ้าใครสงสัยเรื่องดูจิตนะมีบางคนบอกว่าดูจิตยากหรืฉันดูไม่ได้หรอกนะจิตมันละเอียดแต่มาขอเด็กอาสาสมัครคนนะไม่ถึงสิบขวบหรอก ถามเด็กเลยวเวลาอยากกินไอติมเคยรู้ไหมว่าอยากกินรู้อยากดูการ์ตูนรู้จักไหมความอยากดูกา ร, ร์ตูนรู้เคยอิดฉาน้องอ่ะรู้จักไหมความอิดฉารู้จักนะเคยกลัวไหมเราเคยกลัวรู้สึกรักแม่มากเป็นพิเศษเนี่ยเคยรู้สึกไหมบางวันรักพิเศษเรู้สึกนะดูสิกระทั่งเด็กเล็กๆนะเขายังดูเป็นเลยแล้วผู้ใหญ่จะดูไม่เป็นได้ยังไง เราอย่าไปวาดภาพว่ามันลึกลับยากเย็นจิตของเรามันเป็นยังไงมีความรู้สึกยังไงค่อยตามรู้ตามดูมันเล่นๆไปอย่างนั้นแหละตามดูมันไปเรื่อยๆอย่าไปเพ่งใส่มันถ้าเพ่งใส่มันแล้วมันจะนิ่งไปหมดเลยไม่มีอะไรให้ดูนอกจากความนิ่งนะเพราะฉะนั้นการดูจิตเนี่ยท่านถึงบอกว่าอย่าไปทําฌานก่อนนะถ้าทําฌานก่อนมันจะไม่มีจิตให้ดูหรอกมันจะนิ่งลูกเดียวอย่างถ้าเราใจฟุ้งซ่านเราก็รู้อ้อมันฟุ้งซ่านไปและเราก็จะตื่นขึ้นมา มันโกรธเรารู้ทันว่ามันโกรธปุ๊บต่เราก็จะตื่นขึ้นมาน้ําใจมันต้องโกรธก่อนแล้วถึงรู้ว่าโกรธต้องฟุ้งซ่านก่อนแล้ว ร, รู้ว่าฟุ้งซ่านต้องโลภไปก่อนแล้ว ร, รู้ว่าโลภแต่ต้องรู้เร็วๆนะไม่ใช่เมื่อวานโกรธวันนี้รู้ใช้ไม่ได้นะกําลังโกรธอยู่โกรธมาสองนาทีสามนาทีแล้วนึกขึ้นได้ว่ากําลังโกรธอยู่เนี่ย <c oughs> อย่างนี้ใช้ได้ให้ตามรู้ไปเรื่อยๆอย่าไปจ้องไว้ก่อนถ้าจ้องไว้มันจะทื่อๆไม่มีอะไรให้รู้นอกจากนิ่งๆ เป็นสมถะนี่คนที่บอกดูจิตดูจิตส่วนใหญ่จะเพ่งจิตเคยได้ยินท่านจันตันพูดนะตรงพวกเรานี่แหละรุ่นพวกเนี้ยบอกว่าไปเล่าท่านว่าดูจิตดูจิตเห็นมีแต่พวกเพ่งจิตเพ่งเงาเพ่งเงาเพ่งทื่อๆอยู่ไม่เพ่งเงานะรู้จิตเนี่ยหมายถึงตามรู้นะความโกรธเกิดขึ้นก่อนแล้วรู้ว่าอ้อมันโกรธล้วความโลภเกิดขึ้นก่อนรู้ว่าอ้อมันโลภไปล้ว ให้ดูไปอย่างนี้เสร็จแล้วพอถึงเวลานะเราดูตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเวลาเย็นเวลาค่าก่อนเราจะหลับจะนอนไม่พ้าสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมปฏิบัติในรูปแบบนะทำให้ทุกวันอย่าละเลยจะช่วยให้จิตใจของเราเข้มแข็งถ้าเราละเลยการปฏิบัติในรูปแบบเนี่ยเราจะอ่อนแอ เราบอกว่าเราดูจิตดูจิตแล้วไม่เคยเดินจงกรมไม่เคยนั่งสมาธินะไม่ยอมไหวพระสวดมนต์อะไรเงี้ยดูไปสักสองวันสามวันเนียจิตมันจะกระจายออกไปอยู่นอกๆ น, นะมันจะกระจายนคะรูบาอาจารย์ให้เกรเทียบให้ฟังมันเหมือนไข่ขาวอ่นะดูเข้ามาไม่ถึงไข่แดงอ่ะดูแต่ไข่ขอบไข่ขาวเวลาทอดไข่ดาว่นะไปดูดู๋ยวขอบขอบนะเข้ามาไม่ถึงจิตถึงใจจริง เพราะฉนการปฏิบัติในรูปแบบจะเป็นการช่วยเรานะอย่าละเลยพักเพี้ยนเข้าช่วยตัวเองการปฏิบัตินใครก็ช่วยเราไม่ได้หลวงพ่อก็มาพ้นทุกข์แทนพวกเราไม่ได้นะเราต้องฝึกของเราเองจบแล้วนะวันนี้ม า, า, ม า, าใช่าอใช่แต่ว่าไม่เป็นไรนะแต่ก่อนนี้เราเพ่งเพงเพงนะ นะัปฏิบัตินี่ชอบกลบวเผอก็เลยเพ่งลูกเดียวนะถามว่าเพ่งแล้วมันดีไหมก็ดีนะการเพ่งเป็นความปรุงแต่งฝ่ายกุศลแต่ไม่เกิดปัญญานะเผลอไปเนี่ยเป็นอกุศลเป็นความปรุงแต่งฝ่ายอากุศลแต่ถ้ารู้ทันนะเกิดปัญญาอย่างบางคนปฏิบัติทำนะกลัวกิเลสมากเลยนะพยายามจะปิดหูปิดตาปิดปากนี่จมูกปิดไม่ได้ช่วยไม่ได้ต้องหายใจไว้ พยายามปิดหดัวะไรไม่รู้ไม่เห็นอะไรเนี่ยกล่าวว่ากิเลสจะได้ไม่เข้ามารู้ว่ากิเลสไปเห็นมองเห็นแล้วเดี๋ยวกิเลสเข้ามาทางตาได้ยินแล้วเดี๋ยวกิเลสเข้าทางหูก็เลยพยายามจะหลีกเลี่ยงการกระทบอารมณ์นถ้าการหลีกเลี่ยงการกระทบอารมณ์แล้วทำให้บรรลุได้เร็วนะคนตาบอดหูหนวกจะบรรลุก่อนเพื่อนเน่อยแต่นี้ไม่เป็นเพราะอะไรกิเลสเข้ามาทางตาปัญญาก็าเข้ามาทางตานะกิเลสเข้ามาทางหูปัญญาก็ามาทางหู เพราะนตาเรามองเห็นสมมติเราตามเรามองเห็นสาวสวยเดินมาจิตเราเกิดราคะแล้วจิตเกิดราคะเรารู้ทันเลยว่าจิตมีราคะเมื่อกี้ไม่มีแต่พอเห็นสาวสวยจิตเกิดราคะเนี่ยจิตมันเปลี่ยนนะจิตแสดงความไม่เที่ยงที่แรกเฉยๆตอนนี้มีราคะเราเห็นหมาบ้าวิ่งมาใจมันกลัวเนี่ยเห็นเลยแต่แรกไม่กลัวตอนนี้กลัวขึ้นมานี่เห็นไหมตากระทบรูปความรู้สึกก็เปลี่ยนเราก็มีสติรู้ทันในที่สุดเราเกิดปัญญา อ๋อจิตทุกชนิดไม่เที่ยงหรอกนะเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลนะมีแต่ของไม่เที่ยงเพราะงั้นเราไม่ต้องหลีกเลี่ยงการกระทบอารมณ์นะยกเว้นสู้ไม่ไหวจริงๆนะอย่างพระเนี่ยพระต้องสอนอีกแบบหนึ่งพระจะไม่ได้สอนให้ห้าวหาญอย่างที่สอนโยมอย่างนี้นะอย่างพระเนี่ยถ้ามาคุยกับหลวงพ่อนะพระหนุ่มเนรนน้อยนะตาเห็นสาวเนี่ยใจมันชอบขึ้นมาให้รู้ทันนะถ้าเรียงสู้ไม่ไหวนะ รู้ทันแล้วก็จะสู้ไม่ไหวต้องทําสมถนะเช่นพิจรารณาสุภาอะไรเงี้ยถ้าสู้ไม่ไหวหนีเลยนะครูบาอาจารย์แต่ก่อนท่านก็หนีมาแล้วนะว่าบาดว่าปวดหนีเลยนะสู้ไม่ได้ต้องถอยไว้ก่อนนะแต่โยมไม่ต้องขี้กลาดขนาดนั้นนะนะโยมต้องสู้ตายนะนะแต่อย่าให้ผิดศีลก็แล้วกันนะอย่าให้ผิดศีลหนะ้าพระต้องรักษาตัวไว้ก่อน เอาตัวรอดไปก่อนเพราะบางทีเดินเดินไปนี่ห่างครูบาอาจารย์ถ้าอินทรียอย่างอ่อนช่วยตัวเองไม่ไหวต้องหนีแต่เราเป็นคารวาสเนี่ยเราก็อย่าไปยุ่งอะไรที่มันไม่ดีที่อโครจรก็ไม่ควรไปเหมือนกันนะไม่ใช่ห้ามแต่พระนะยังบอกห้ามพระไปเดินอะไรดูที่อโครจรแล้วเราไปดูเองเนี้ยการภาวนาของเราก็จะแย่ไปด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัว กิเลนมาทางตาสติปัญญาก็อาศัยตานี่แหละเกิดขึ้นเห็นสาวสวยใจมีราคารู้ว่ามีราคะเห็นราคาเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาเป็นของที่ใจไปรู้เข้าเท่านั้นเองผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนี่โทสะผ่านเข้ามาแล้วก็ไปอะไรอะไรผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปการที่เห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปหรือผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเนี่ยตัวปัญญาล้วนๆเลยพระโสดาบันเห็นแค่นี้เองไม่ได้เห็นอะไรเยอะ ถ้าโสดาบันเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาใจลอยแล้วรู้จักไหมจง <c oughs> เ, เกณฑ์ไหมตอนที่รู้ว่าใจลอยเนี่ยถัดจากนั้นเริ่มประคองนะ้วดูออกไหมเริ่มไปเพ่งไปแล้วเริ่มเริ่มรักษาจิตจะสุดโต่งสองข้างไม่เผลอไปนะพอเผลอแล้วรู้ว่าเผลอขนาดจิตที่รู้ว่าเผลอนี่ดีที่สุดเลยะแต่ถัดจากนั้นเนี่ยจะเริ่มไปประคองไว้อีกละผิดไปอีกข้างงสิ่งที่สุดโต่งสองอันไม่เผลอไปก็เพ่งเอาไว้ อ่ะคุณโตส่งกันบ้านน่อ่นนะอในที่วัจเขึ้นนนะิจะแบตาที่ท่นครับแต่ว่าช่วง้นงา น, งานยุ่งอ่าพังานยุ่งมากๆก็เขาริกป น, ง, น ง, งานยุ่งรินงนนนะนกนจิจะไม่่จยนจะเ้ามาทีอมมันเหนื่อยจิตมันเหนื่อยก็ให้มันพักไปนะ<ม>แต่พอถอยออกมาแล้วรู้ลูกเดียวเลย ไม่เป็นไรแล้วแต่จริตนิสัยนะรู้กายได้ก็รู้กายไปรู้จิตได้ก็รู้จิตไปคุณโตระวางอันเดียวเวลารู้กายเนี่ยอย่าให้ถล่มลงในกายให้สักว่ารู้อยู่ห่างๆดูเหมือนคนที่ยืนอยู่บนตลิ่งนะเห็นน้ําไหลมาเห็นดอกไม้ลอยมาเห็นหมาเน่าลอยมาดูอยู่ห่างๆอย่าโดดลงน้ำํำอ้ามเปลี่ยนไปเรื่อยๆใจเราเป็นแค่คนรู้คนดูนะ อย่า ก, กระโจนเข้าไปเหย่ยลงไปนอนแช่ตรงนี้เข้าใจไหมตรงที่นอนแช่ไม่แช่ดูห่างๆคือการปฏิบัติเนี่ยหลวงพ่อบอกให้นะโตทางใครทางมันมันไม่เหยียบรอยกันหรอกแต่ละคนนี่ทางเฉพาะของเราเองหน้าที่ของเราก็คือว่าเราปฏิบัติยังไงแล้วสติเกิดบ่อยแล้วก็อาแ น, นั้นแหละรู้กายได้ก็รู้กายไปรู้จิตได้ก็รู้จิตไป อย่างเราเรียนกับครูบาอาจารย์ที่ถนัดเรื่องจิตก็ไม่ใช่ว่าเราจะถนัดเหมือนท่านจริตคนต่างๆกันใจลอยรู้สึกไหม <c oughs> หนีแวบไปหนีไปคิดอีกแล้วทราบไหมยังไม่เลิกคิด <c oughs> รู้สึกไหมเราเราไปยักหน้า <c oughs> เนี่ยเหมาะ ก, กับกายเห็นไหมหลวงพ่อจี้เข้าไปที่จิตไม่ตื่นรู้สึกไหมแต่พอรู้กายไหวตื่นเลย เราปฏิบัติเพื่อความตื่นนะตื่นเรื่อยๆตื่นเรื่อยๆเพรน้นโตร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกไปนะแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกหลวงพ่อเขไม่ได้สอนแบบเดียวกันแต่ละคนกระดุ ก, กระดิกแล้วทราบไหมตื่นน้ำลายไม่รู้ไปนะใช้ได้ตื่นเลยแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกค่อยๆฝึกไปพวกเราเหมือนบุญน้อยนะพวกเราบุญน้อย เราเกินไม่ทันพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอ่ะคือคนเดียวเลยที่รู้ว่าคนนี้ต้องทำยังไงเราถึงจนะบรรลุมีครูบาอาจารย์ลาดับที่รองรอง ล, อ ง, ลองมาเนี่ยจะไม่มีญาณอย่างนี้ท่านจะแค่ลองทำงนี้ลองทำงนี้นะลองแล้วก็ปรับปรับปับไปเรื่อยๆมีครูบาอาจารย์อีกองหนึ่งที่ประหลาดมากเลยไม่น่าเชื่อคือหลวงปู่ดูลนะเวลาไปเรียนจากหลวงปู่ดูลเนี่ย ไปกราบท่านไปถามธรรมะท่านหลวงปู่ผมจะปฏิบัติยังไงหลวงปู่ไม่พูดหลวงปู่นั่งก็อี้โยกนะเวลาไปหาทานั่งก็อี้โยกเลยเวลาเรามาก็คุยอะไรมองเงี้ยนะแต่พอเราถามเรื่องปฏิบัตินะหลวงปู่หลับตาเลยห <c oughs> ลับไปเป็นชั่วโมงเลยแล้วลืมตาขึ้นมาจะบอกให้ประโยคหนึ่งไม่มากกว่านั้นหรอกคนไหนจะทํำยังไงสอนอย่างนั้นเลย แล้วไปทำอย่างอื่นนะไม่ได้กินหรอกนี่มาในยุคนี้เราหาครูบาอาจารย์อย่างนี้ไม่ได้เราต้องช่วยตัวเองให้มากต้องใช้ความสังเกตให้มากสิ่งที่ช่วยเรามีสองอันคือกาลยานามิตรหรือครูบาอาจารย์กโยนิโสมนัสิกานในยุคนี้กาลยานามิตรไม่เข้มแข็งเหมือนกาลยานามิตรสมัยพุทธกาลแล้วงั้นเราต้องโยนิโสให้มากสังเกตตัวเองให้เยอะหน่อย ค, ค่อยสังเกตไปว่าทํายังไงแล้วรู้สึกตัวบ่อยแต่ก่อนจะรู้สึกตัวเป็นแล้ก็มานั่งฟังหลวงพ่อก่อนนะฟังๆไปเรื่อยจนจิตมันตื่นขึ้นมามันจะรู้สึกตัวเป็นก่อนพอรู้ว่ารู้สึกตัวเป็นยังไงแล้วเนี่ยคราวนี้ยไปฝึกเอาเองเห็นไหมหนีไปทางตาเพรก็ อ, อะไรเพรคุณหมอก็ยกมือเนี่ยแล้วก็ถูกสิ่งเราวิ่งไปทางตาลืมตัวเองหน้าเมื่อกี้รู้สึกอยู่คุณเนี้ย ร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกไปเนี่ยเมื่อกี้พยักหน้านึกออกไหมร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวค่อยรู้สึกอะไรก็ได้ร่างกายเคลื่อนไหวแล้วเรารู้สึกขึ้นมาเราก็จะตื่นขึ้นมาจิตใจเคลื่อนไหวแล้วเรารู้สึกเร า, าก็จะตื่นขึ้นมามันเป็นภาวะอันเดียวกันเทียบเลยเรารู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเราหลุดออกจากโลกของความคิดแล้วเนี่ยเราจะเห็นทันทีแต่ถ้าสติรู้กายจะเห็นว่ากายไม่ใช่ตัวเรา ถ้าสติระลึกรู้จิตจะเห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเราเขาระลึกของเขาเองไม่ใช่จงใจไประลึกเข้านะเนีอยอ่ยความยากมันอยูนในใ่ตรงเนี้ยตรงที่จะรู้สึกตัวจิตเขาก็ต้องรู้สึกตัวขึ้นเองไม่ใช่แกล้งทําให้รู้สึกตัวเมื่อรู้สึกตัวแล้วนี่เขาจะระลึกรู้กายหรือรู้ใจเขาก็ระลึกของเขาเองไม่ใช่แกล้งระลึกเห็นไหมมันทําอะไรไม่ได้สักอย่างเลยความยากมันอยอู่ตรงที่ทําอะไรไม่ได้สักอย่างนี้แหละ นะแต่ทำเหตุของมันได้นะทำยังไงสติจะเกิดบ่อยหัดรู้สภาวะบ่อยๆแล้วสติจะเกิดบ่อยนะหัดรู้กายหัดรู้ใจร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึ ก, กจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกไปเรื่อยถึงจุดหนึ่งสติจะเกิดเองพอร่างกายเคลื่อนไหวปั๊บมันจะรู้สึกเองนะสมัยก่อนหลวงพ่อหัดแต่เริ่มต้นนะ่ะดูจิตลูกเดียวเลยดูดูดูไปนะแล้วก็เออเราไม่ได้รู้กายสักทีวันหนึ่งเห็นเพื่อนมันเดินอยู่อีกฟากถนนนึ่นะ ก้าวขาจะไปคุยกับเขาแหละขาไหวแป๊บเนี่ยก็รู้สึกตัวขึ้นมาละงั้นให้พวกเราหันรู้สึกไปเรื่อยร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวก็รู้สึกถึงจุดหนึ่งสติจะเกิดเองอาจารย์อภิธรรมบางท่านอย่างท่านอาจารย์สุจินอา่ารสุจินเก่งนะอาจารย์สุจินบริหารวนาเขตเป็นอาจารย์อภิธรรมอา่นะารย์สุจินสอนเลยบอกว่าอย่าเพิ่งรีบปฏิบัตินะเรียนเรื่องสภาวะให้รู้เรื่องซะก่อน แต่วิธีเรียนของอาจารย์สุจริตก็คือฟังบรรยายสติเป็นอย่างนี้นะโกรเป็นอย่างนี้โกรธหลงเป็นอย่างนี้ทีละตัวทีละตัวเรียนไปสภาวะธรรมมีทั้งหมด72ตัวนี่จะเรียนทางปริยัติเรียกสภาวะธรรม72็ดสิบเรียนเรียนไปเรื่อยจนจิตใจมันค่อยๆซึมซับต่อมาพอความโกรธมันผุดขึ้นมาเนี่ยเคยเรียนมาแล้วลักษณะอย่างนี้เรียกว่าโกรธก็จะรู้ว่าความโกรธเกิดขึ้นแต่ความจริงเราไม่ต้องเรียนให้ยากขนาดนี้ก็ได้เพราะใครๆก็รู้อยู่แล้วว่าโกรธเป็นยังไง เพีงนะแต่สนใจรู้ให้มันมากขึ้นเท่านั้นแหละนะส่วนใหญ่ของคนในโลกก็คือพอมันโกรธเนี่ยจะไปดูคนที่เราโกรธแทนที่จะรู้ว่าใจกําลังโกรธนะพอมันรักขึ้นมานะเห็นนางงามจักรวาลมาใจมันรักขึ้นมาจะเห็นแต่นางงามจักรวาลลืมรู้ว่าใจกําลังรักเขาเห็นหมาบ้าวิ่งมาก็ามองเห็นแต่หมาบ้านะลืมรู้ว่าใจกําลังกลัวเห็นจิ้งจกตกลงมาเกาะหลังเรานะ ยิ่งจบตกตกมันจะขยักขยแยงอย่างเดียวไม่เห็นว่าใจกําลังขยักขยแยงร้องกรี๊ดกรี๊ดเป็นลมนะเพราะนันักปฏิบัติกับคนไม่ปฏิบัติต่างกันนิดเดียวเช่นเห็นนางงามเดินมาคนไม่ปฏิบัติก็เห็นนางงามเดินมาจิตเกิดความชอบเขานักปฏิบัติก็เห็นอย่างเดียวกันจิตก็เกิดความชอบอย่างเดียวกันสิ่งที่ต่างกันก็คือคนที่ไม่ปฏิบัตินะมันจะวิ่งตามดูนางงามไป แต่เราจะรู้ว่าใจเราชอบเขาเขาแล้วผิดกันเท่านี้เองนะได้กลิ่นดอกไม้หอมคนทั่วๆวไปจะรู้สึกโอ้ดอกกุหลาบดอกจำปีดอกนวนดอก น, นี้รู้อย่างนั้นนักปฏิบัติจะรู้เลยใจเราชอบก็แชอบกลิ่นดอกไม้อันนี้หรือได้กลิ่นอะไรแปลกๆหอมๆนะแปลกๆนะไม่รู้ว่าดอกอะไรใจสงสัยว่าดอกอะไรนะ ทั่วๆไปเขาจะเที่ย ว, วไปเดินดูว่ามันดอกไม้อะไรที่ได้กลิ่นโชยมานักปฏิบัติจะเห็นว่าเนี่ยใจกําลังสงสัยว่าดอกอะไรหอมผิดกันเท่านี้เองเนี่ยคือวิธีฝึกจเจริญสติในชีวิตประจําวันนะเราใช้ชีวิตของเราปกตินี่เองทำกิจกรรมของชีวิตปกติยกเว้นกิจกรรมที่ผิดศีลนะไม่ดีอย่าทำนะอย่างบางคนจะไปตกปลาตกปลาแล้วจะมาบอกหลวงพ่อบอกว่าพอปลากินเบ็ด จิตมันดีใจรู้อดีใจอย่างนี้ไม่เอานะอย่างนี้มันกิดศีลนะรักษาศีลในการจะเจ้าเล่หนะงั้นคอยรู้นะรู้ไปรู้ในชีวิตจริงๆทำอะไรอยู่ก็ปฏิบัติได้ยกเว้นตอนที่ทำงานที่ใช้ความคิดนะอย่างหมอผ่าตัดเนี่ยเวลาผ่าตัดเดียวจะสักว่ารู้สักว่าเห็นไม่ได้นะเดี๋ยวไิ่ตัดอะไรเข้าๆก็คอยรู้สึก รู้ว่าตอนนี้มีหน้าที่อะไรทำหน้าที่นั้นไงรู้เรื่องไหมรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องก็มีวิธีการเดี๋ยวเอาฟีดีไปฟังเอาเองอ่ะส่งกันบ้านส่งไื อ, อยังว่ามาต อ, ตอนนี้หนูพยายามแบบค่อยๆรู้ไปดรายการอย่นนยน า, า น, านเรื อ, อ่เรว่าความเพียรนะความเพียรเนี่ยนะ ความเพียรที่แท้จริงเนี่ยคือคำว่าสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาวายามะเนี่ยมีองค์ประกอบสอย่างนะคือเพียรละอกุศลที่เกิดแล้วนะเพียรปิดกั้นอกุศลใหม่ไม่ให้เกิดนะเพียรทำกุศลให้เกิดขึ้นนะเพียรรักษากุศลที่เกิดแล้วเนี่ยให้เจริญงอกงามอย่างนี้เรียกว่าความเพียรชอบ วิธีที่จะทำให้อกุศลดับไปอกุศลใหม่ไม่เกิดนะวิธีที่จะทำให้กุศลเกิดและกุศลเจริญมีอันเดียวมีสติเพราะงั้นให้มีสติเอาไว้แล้วความเพียรชอบจะเกิดขึ้นมานะทันทีสมมติว่าความโกรธเกิดขึ้นสติะระลึกได้ว่าความโกรธเกิดขึ้นความโกรธจะดับทันทีไหนะอกุศลดับทันทีที่สติเกิดนะในขณะที่สติยังอยู่เนี่ยความโกรธจะกลับเข้ามาไม่ได้ นะอากุศลใหม่เกิดไม่ได้นะในขณะที่สติเกิดขึ้นเนี่ยกุศลได้เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วว่าตัวสตินั่นแหละตัวกุศลนะในขณะที่กุศลเกิดแล้วก็เกิดบ่อยๆเนี่ยกุศลจะค่อยๆงอกงามไผยบูณนะสติจะเกิดถีขถ่ขึ้นถี่ขึ้นถี่ขึ้นเะมื <ME> ่อสติเกิดขี่ขึ้นถี่ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยกุศลทั้งหลายจะตามมาเป็นแถวเลยนะถ้าขาดสติตัวเดียวนะอากุศลมาเป็นแถวเหมือนกัน ถ้ามีกุศลมีสติตัวเดียวเนี่ยกุศลทั้งหลายตามมาเป็นแถวเลยนะเราจะเกิดฮีริโอตัปปะขึ้นมาเพราะว่ากิเลสผ่านเข้ามาในใจเรามองเห็นแนละ้วนะจะตามกิเลสไปก็อายกับใจตัวเองตามไปทําบาปก็กลัวบาปกลัวผลของบาปมีฮีริโอตัปปะนะเพราะงั้นพออะไรเกิดขึ้นในจิตในใจเนี่ยสติจะคอยสังเกตจิตสังเกตใจตัวเองเรื่อยๆเรียกว่ า, เ, วาเกิดอินเซียสังวร เมื่อตาเห็นรูปความหวั่นไหวยินดียินร้ายเกิดที่จิตสติจะรู้ทันนะเรียกว่าอินเะสียสังวรเมื่อมีการรู้ทันรู้ทันจิตจะเป็นปกติไม่ถูกกิเลสครอบงำนะเรียกว่าเกิดศีลขึ้น ม, มานะเสร็จแล้วจิตใจมันจะตั้งมั่นอยู่กับเนื้อตัวเรียกว่าเกิดสัมมาสมาธินะแล้วปัญญาจะเกิดคือเห็นความจริงของกายของใจนะนี่เรียกว่าปัญญา เมปัญญาแก่รอบวิมุตต์ก็จะเกิดความหลุดพ้นคือการปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจก็จะเกิดขึ้นก็จะเข้าถึงมรรคนิพพานฉะนั้นสตินี่แหละสำคัญมากเป็นธรรมที่มีอุปการะมากทีเจ้าสอนแต่สติอันเดียวไม่ได้นะต้องประกอบด้วยสัมปชัญญะสัมปชัญญะเป็นตัวปัญญามีสติแล้วก็มีปัญญาปัญญาระดับสัมปชัญญะเป็นปัญญาเบื้องต้นยังไม่ใช่ ไม่ใช่ระดับวิปัสนาปัญญานะไม่ใช่โลกุตตะปัญญาสัมปัญญะนี่เป็นปัญญาเบื้องต้นที่จะประคับประคองการปฏิบัติไม่ให้ออกนอกลู่นอกทางสัมปัญญะจะเป็นตัวรู้ว่าเราจะทําอะไรจะทําเพื่ออะไรจะทําอย่างไรระหว่างทําไม่หลงไม่เผลอไม่เลื่อนลอยไปนะเรานั้นสติะระลึกครับนะถ้าเราความโกรธเกิดขึ้นสติะระลึกไดนะ้ไม่มีสติละ แต่ถ้าไม่มีสัมปชัญญะอาจจะหาทางไปละความโกรธแต่ถ้ามีสัมปชัญญะเรารู้ว่าขณะนี้เราจะเจริญมิปัสนาความโกรธเกิดขึ้นมาให้สักว่ารู้สักว่าเห็นไม่ใช่ไปละเขารู้ว่าเราจะทําอะไรเพื่ออะไรจะทําอย่างไรแล้วก็รู้จิตรู้ใจไปเห็นความโกรธมันผ่านมาผ่านไปจิตใจไ ม, ไม่หลงไม่ไหลไปนี่เรียกว่าอสัมโมหะสัมปชัญญะไม่หลง สติกับสัมปชัญญะเนี่ยเป็นธรรมที่มีอุปการะมากที่สุดเลยขาดสติอันเดียวไม่มีสัมปชัญญะนะแต่ว่าสติอยู่โดดๆได้ไม่มีสัมปชัญญะได้แต่ถ้าสัมปชัญญะเนี่ยต้องมีสติควบเสมอเพราะขาดสติตัวเดียวจะเป็นอกุศลเล ย, ไ, ยเกกไม่ไ ด, ไได้หน้าที่ของเราคือหัดทาความรู้จักสภาวะให้มากๆ อ่าหัดสังเกตใจของเราแต่ละวันไม่เหมือนกันใช่ไหมวันนี้เศร้าหมองวันนี้ผ่องใสหัดสังเกตนี้ใจของเราแต่ละเวลาไม่เหมือนกันตื่นนอนตอนเช้ากับเดี๋ยวนี้เหมือนกันไหมคุณผู้ชัยเนี้ยความรู้สึกอนะ่ะไม่เหมือนใช่ไหมตอนนั่งรถมากับตอนนี้ก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมเนี่ยมันเปลี่ยนตลอดเนี้ยหัดสังเกตสภาวะ่าเงี้ยเราไปสติจะเกิดเองในสุดจิตเราจะจําสภาวะได้มากจิตจะจําสภาวะได้แม่นสติก็จะเกิดบ่อย ถ้าเรารู้จักสภาวะน้อยสติก็เกิดน้อยถ้าไม่รู้จักสภาวะเลยสติไม่เกิดเลยนะสติไหนจึงสัมมาสตินะสติอย่างโลกโล ก, กมันมีหรอกนะเดินไม่ตกถนนกับรถไม่ตกท่ออะไรเงี้ยถ้าเราถ้าเราไม่มีกัลยาณมิตรที่เราต้องมีไม่รู้เพราะอะไรที่เราต้องมีกัลยาณมิตรเพราะเราเป็นระดับสาบวกภูมิเท่านั้นเองเรารู้ด้วยตัวเองไม่ได้นะกระทั่งคนที่เคยฝึกฝนมาแล้วนะ เพระชาติก่อนๆเคยเจริญวิปัสสนามาแล้วแต่ยังไม่บรรลุมรรคผลตายซะก่อนเนี่ยชาตินี้อย่างสูงว่าเกิดอะไรตกใจขึ้นมาจิตไหวปั๊บขึ้นมามันเห็นเองเลยอย่างเห็นไฟไหม้ตกใจปั๊บพอมันไปเห็นความตกใจเามันความตกใจขาดสะบั้นไปเลยแต่ไปต่อไม่เป็นแล้วไม่รู้ว่าจะทํำยังไงต่อละแล้วจาต้องอาศัยกระยาณมิตร กระยานามิตรของเราเนี่ยถ้าหาครูบาอาจารย์ไม่ได้นะก็อ่านเอาอ่านพระไตรปิฎกต้องระวังนะอ่านหนังสือธรรมะต้องระวังมากมเลยนะหนังสืออาธรรมเยอะมากนะหนังสือที่จะพาให้เราเตลิดเปิดเบิงมันเยอะกว่าหนะังสือที่จะสอนให้เรารู้สึกตัวไงยโยมผู้หญิงนั่นนะ่ะที่มีเข็มกลัดนั่นนะ่ะเมื่อกี้กําลังทําอะไรอยู่โอ้ตอบถูก เมื่อกี้เสลอตับถูกใช้ได้นะโยมอย่างนี้หัดรู้สภาวะนะถ้าโยมมันนั่งตรงนี้หลายๆครั้งจะรู้ลงเพ่อไม่ได้สอนอะไรมากหรอกหลวงพ่อสอนให้พวกเราหัดดูสภาวะอย่างที่บอกคุณหมอจิตไปดูรู้ว่าดูจิตไปฟังรู้ว่าฟังจิตไปคิดรู้ว่าคิดเนี่หัดดูสภาวะใจลอยรู้ว่าใจลอยนะี่ใจลอยแล้วทราบไหมเห็ไหมไม่ได้มีอะไรลึกลับหรอกเมื่อกี้หันไปดูเขารู้สึกไหมเราเห็นเขาเราลืูตัวเราเอง เนี่ยแค่เนี่ยหัดไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวสติก็เกิดเองไม่ยากอะไรหรอกเนี่ยใจลอยไปอีกแล้วทราบไหมอยากพูดทราบไหมเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งพูดเห็นแรงดันในอกล้วไหมนะหัดดูก่อนนะอ้ามันดับไปแล้วพูดได้ อ๋อไหนถามดีนะคําถามนี้มีประโยชน์มากอยมลองยกหัวไม่มือตัวเองขึ้นมาลองเพ่งใส่หัวไม่มือให้ใจไปอยู่ที่หัวไม่มือเลยเนี่ยรู้สึกไหมอย่างเนี้ยใจเราไหลไปอยู่ที่หัวไม่มือนะเวลาเราเพ่งจิตก็คล้ายๆกันอะนะเราจะเพ่งความรู้สึกนะวมันดับลงตรงไหนแล้วกะจี้เข้าไปอยู่ที่นั่นเลยจะลงไปแช่ไว้อย่างเมื่อกี้ยมรู้สึกไหมจิตเราลงไปแช่ที่หัวไม่มือนะยมนี่ฝึกสมาธิมาเยอะแล้วมั้ง เออเพ่งปับลงปับเลยตอนนี้หนีไปคิดโยมทราบไหมแค่รู้ทันนะรู้ว่าจิตหนีไปคิดไม่ต้องไปสนใจเรื่องที่เขาคิดให้รู้ทันว่าเขาหนีไปคิด <c oughs> นั่นพี่นั่งข้างๆอ่ะหนีไปคิดอีกแล้วทราบไหมอืมอ ไม่เป็นไรสงบก็ได้พักผ่อนนะได้เป็นคนดีแล้วอาจจะได้เป็นเทวดาเป็นพลมทำฌานได้เป็นพลมเข า, าเรียกเหมอนนั่งหน้าโรงแรมนะ <c oughs> ตากแดดตากฝนลำบากคืออย่างนี้พอจิตถอยออกจากสมาธิเนี่ยความรู้สึกในใจเราเริ่มเปลี่ยนแปลงใช่มตอนอยู่ในสมาธิมีความสงบพอถอยออกมาเริ่มไม่สงบ ตรงนี้ดูออกไหม อ, อยู่ในสมาธิมีปีติตอนถอยออกมาไม่มีปีติอยู่ในสมาธิมีความสุขถอยออกมาไม่มีความสุขเพะฉั้นโยมทําสมาธิต่อไปไม่ได้เรื่องเสียหายนะทําได้แต่เมื่อทําแล้วตอนที่ใจเราถอยออกจากสมาธินะี่อย่าละเลยให้รู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเลยเคยได้ยินชื่อหลวงพ่อพุทธไหมหลวงพ่อพุทธฐานิโยเคยสอนหลวงพ่อนะท่านท่านไม่ได้สอนนะเพราะหลวงพ่อไม่ค่อยได้ทํา ชานมากนั้นล่าให้ปังบอคนส่วนใหญ่นะเสียโอกาสเสียนาทีทองนะคนส่วนใหญ่พอชอบไปทํำสมาที่พอจิตเป็นสมาธิพอใจละเลิกปฏิบัติพอถอยออกจากสมาธิเลิกเลยไปทําอะไรต่ออะไรหลงไปเลยตลอดทั้งวันถ้าบอกเนี่ยเสียโอกาสเสียนาทีทองไปนะต่อไปนี้เอาใหม่พอจิตถอยออกจากสมาธิให้รู้ทันจิตใจที่เปลี่ยนแปลงไปเลยความรู้สึกของเราเปลี่ยนให้รู้ไปเลยนะ ในที่สุดเราจะรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของจิตใจได้จิตใจเคยสบายเริ่มไม่สบายเคยสงบเริ่มฟุ้งซ่านมีความสุขก็ชักเจนทื่ๆไม่มีความสุขขึ้นมาละจิตเป็นของไม่เที่ยงนะการเดินปัญญาก็คือการที่ต้องรู้ว่ากายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเพราะนั้นเมื่อจิตเราถอยออกจากสมาธิให้รู้ทันเลยจิตไม่เที่ยง เมื่อกี้สุกตอนนี้ไม่สุกเมื่อกี้ปีติดเดี๋ยวนี้ไม่ปิติดให้ค่อยรู้ไปหลังจากนั้นตาเรามองเห็นเห็นเพื่อนเราเดินมาใจเราดีใจเรารู้ว่าดีใจเข้ามาต่อเข้าการปฏิบัติในชีวิตจริงนี่เลยนะหรือดูจิตดูใจไม่ออกนะเราเห็นเพื่อนเราเดินมาเราจะเดินไปทักทายเขาเราไม่เห็นหรอกว่าเราดีใจหรืออะไรดูไม่เป็นไม่เป็นไรเห็นร่างกายนี้กําลังเดินไปคุยกับเขานะอย่างนี้ก็ได้ต้องพยายามฝึก ในชีวิตประจําวันให้ได้นะการปฏิบัติท่ละเลยการปฏิบัติในชีวิตประจําวันเนี่ยเราหวังว่าวันหนึ่งเราจะไปนั่งสมาธิชั่วโมงหนึ่งอะไรเงี้ยไม่พอเวลาที่เหลือกิเลสออกไปหมดเลยนะเพราะงั้นเราอยู่ในชีวิตประจำวันฝึกไปนะจะขึ้นรถลงเรือนะอย่างออกมาที่ถนนเห็นรถเดยอะแยะเลยรถติดใจเราไม่สบายรู้ว่าไม่สบายนี่ดูไปอย่างนี้เลย วันนี้รถโล่งเลยถนนว่างเจอแต่ไฟเขียวดีใจรู้ว่าดีใจฝึกอย่างนี้เลยนะกระทั่งดูหนังดูละครก็ทําได้นะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานก็ทําได้วันนี้เรียกลูกมากินข้าวมันมาง่ายแล้วดีใจรู้ว่าดีใจวันนี้เรียกให้มันกินข้าวนะจะป้อนมันก็ไม่กินสักทีอมๆไว้โมโหโมโหรู้ว่าโมโหนะเลี้ยงคนแก่ก็ได้นะเมื่อวานก็มีใครจะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่แล้วเลี้ยงไปเลี้ยงไปชักโมโหโมโหรู้ว่าโมโห ดูหนังดูละครก็ทําได้นะเห็นพระเอกรอนางเอกสวยใจเราชอบรู้ว่าใจเราชอบไม่ใช่รู้ว่าพระเอกชื่ออะไรนะอย่างนั้นใครๆเขาก็รู้ใจเราชอบรู้ว่าชอบนะเห็นผู้ร้ายมาใจเราเกลียดรู้ว่าเกลียดเนะี่ยเห็นไม่ทําอะไรเราก็ดูของเราได้เพราะั้นฝึกไปในชีวิตธรรมดาเนี่ยเราเป็นธรวาสเราไม่ใช่พระนะถ้าพระต้องสอนอีกอย่างหนึ่งว่าอย่าไปดูหนังดูละครนะอะไรนี้ให้ดูของจริง ของจริงกับละครก็อันเดียวกันนั่นแหละดูของจริงนะเห็นคนชีวิตคนโลดเต้นขึ้นบ้างลงบ้างตัวเองสุขบ้างทุกบ้างนะเดี๋ยวอิ่มเดี๋ยวอดเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจเนี่ยให้รู้ของตัวเองไปใครคิดจะบวชต้องต้องวัดใจตัวเองให้ดีนะออนะที่คิดจะบวชนะอ่ะหลวงพ่อเคยรู้จักพระองค์หนึ่งทนะ่านลูกศิษย์หลวงปู่สิมนะตอนหลังไปอยู่กับหลวงปู่เทพท่านบอกว่า ถ้าเน่ยเป็นลูกเศรษฐีนะที่บ้านมีเงินเป็นร้อยล้านเลยพอมาบวชเนี่ยท่านเห็นข้าวเหนียวตัวดําอยากฉันข้าวเหนียวตัวดํามากเลยนะอยากฉันจนถึงกระทั่งกลับวัดแล้วก็องคืนนั่งร้องไห้เลยนะทําไมเราต้องมาอดต้องมาลําบากขนาดนี้นยะพ่อแม่เราเงินเยอะแยะจะกินข้าวเหนียวสักกี่กิโลก็ได้นี่ข้าวเหนียวถัวดําสูงละห้าบาทนะไม่ได้กินนะบางวันเห็นเขาใส่บาทมาดีใจนะ ป ร, กรากฏว่าพระองค์อื่นหีิไปก่อน <c oughs> <c oughs> ร้องไห้เลยเ <c oughs> นะงั้นบวชไม่ใช่ง่ายๆนะบวชไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะพระสารีบุตรเคยสอนนะอยากได้ของเย็นก็ได้ของร้อนอยากได้ของร้อนก็ได้ของเย็นวนะัดใจให้ดีนะก่อนจะบวชแต่ถ้าบวชตามธรรมเนียมสามเดือนในหลวงพ่อไม่ว่าอะไรหรอกนะให้คิดจะสู้ตายไม่ใช่เรื่องเล็กนะอกหมดเวลาละใครจะ